การตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทําให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดจากการตัดสรุปในพระอริยสัจ ส, สี่คือเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนไม่ใครมีไม่มีใครรู้จัก คำว่าอาริยสัจสี่มาก่อนผู้ที่รู้อริยสัจสี่จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดพระอริยสัจสีนี้เป็น ผู้ผลิตพระพุทธเจ้าหรือผู้ผลิตพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตาสาวกได้ต้องพบกับพระอริยสัจสี่ต้องรู้จักพระอริยสัจสี่ว่าเป็นอะไรพระอริยสัจสี่นี้ก็มีอยู่สี่ ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์ข้อที่สองเรียกว่าสมุ ท, ทยัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ข้อที่สามเรียกว่านิโรธคือการดับทุกข์และข้อที่สี่เรียกว่ามรรคแปลว่าหนทางสู่ความดับทุกข์ นี่คือความรู้สี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกได้ส่งรู้ได้รู้กันและรู้ด้วยการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ท่านเรียกว่าปฏิบัติในอริยสัจสี่คือกิสี่ประการด้วยกันที่ผู้ ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ถึงให้ได้เพราะถ้าปฏิบัติได้แล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเ ก, กิดข้อที่หนึ่งกิข้อที่หนึ่งก็คือทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษา ต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรข้อที่สองก็คือต้องละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องทำลายต้นเหตุของความทุกข์ทำลายสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อทำลายต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะดับไป ก็จะเป็นข้อที่สามข้อที่สามก็คือทำให้ความดับทุกปรากฏขึ้นมาคือทำให้ทุกหายไปทุกจะหายไปก็เกิดจากการทำลายต้นเหตุของความทุกข์คือสมุ ท, ทยัยและข้อที่สี่คือมรรคการที่จะทำให้ทุกหายไปได้ การที่จะทําลายต้นเหตุของความทุกนี้ต้องใช้มรรคเป็นเครื่องมือผู้ใดที่ต้องการจะดับทุกข์ผู้ใดที่จะต้องการทําให้ทําลายต้นเหตุของความทุกข์ผู้ใดต้องการทําให้การดับทุกขปรากฏขึ้นมาจําเป็นจะต้องเจริญมรรคสร้างมรรคขึ้นมาสร้างเครื่องมือ หรือสร้างอาวุธที่จะนําเอามาทําลายตันหาคือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปเมื่อต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทัยได้ถูกทําลายไปหมดแล้วความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาความสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะเป็นผลตามมา นี่คือกิจในพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติโดยที่ไม่มีใครสอนพระองค์เพราะไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าพยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อ ให้สอนวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์แต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดสามารถสอนพระพุทธเจ้าให้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรได้อย่างราบคาบสอนได้เพียงแต่การดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวคือดับด้วยวิธีเข้าสมาธิเข้าฌานเท่านั้น แต่เป็นการดับชั่วคราวดับขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแต่พอออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ให้หายไปอย่างราบคาบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าไปในฌาน เมื่อไม่มีผู้ใดทรงสามารถที่มีความสามารถที่จะทรงสอนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าคือตอนนั้นเป็นสัมมณโคตมะโคดมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากที่ได้ออกบวชก็ใช้ชื่อว่าสมมณโคดมบำเพ็ญหาวิธี ทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ความรู้เพียงระดับฌานสมาบัติเท่านั้นดับทุกข์ด้วยการทำใจให้สงบให้นิ่งด้วยอำนาจของการเพ่งของสติแต่พอออกจากสมาธิมาความดับทุกข์ก็หายไป ความทุกข์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาพระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าหาโดยพระองค์เองจนในที่สุดก็สรงคนพบพระอริยสัจสี่ส่งพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากสมุทยัยและการที่จะดับความทุกข์คือการทำนิโรธให้แจ้งต้องเกิดจากการเจริญมัฟ เกิดจากการสร้างมรรคขึ้นมามรรคที่จะทำลายตันหาหรือสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปพระพุทธเจ้าจึงทรงเจริญมรรคเมื่อได้ทรงเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะทำลายสมุทยัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ให้หมดไปได้พระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าทุกที่เราทุกที่ต้องศึกษาที่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรพระองค์ได้ศึกษาแล้วโดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระองค์มาก่อนสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ที่ต้องละทรงได้ละแล้ว โดยไม่มีใครทรงสอนพระองค์มาก่อนนีโรดคือความดับทุกข์ได้ทรงทําให้แจ้งแล้วให้ปรากฏขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระองค์มาก่อนมักที่เป็นเครื่องมือสําหรับการละตันหาดับความทุกข์ละสมุทัยดับความทุกข์ พระ อ, องค์ก็ได้ทรงเจริญแล้วเจริญอย่างสมบูรณ์แล้วจึงทำให้สามารถละตัณหาละสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์ได้ทำให้นิโรดปรากฏขึ้นมาเพื่อความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครทรงไม่มีใครเป็นผู้สั่งสอนพระ อ, องค์ พระ อ, องค์เป็นผู้ศึกษาเองและส่งสั่งสอนพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์จึงเรียกพระ อ, องค์ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้พระอริยสัจสี่ด้วยตนเองไม่ได้ศึกษาจากผู้ใดส่วนพระอาหารหันตาสาวกนี้เป็นผู้ที่ได้รู้จากพระอริยสัจสี่ ผ่านทางพระพุทธเจ้าผ่านการได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ด้วยตนเองไม่ได้รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรดุด้วยตนเองรู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอาหารหันตสาวกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่คน ที่เกิดจากการได้รู้พระอริยสัจสีนี่ได้ผลเหมือนกันคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานผลนี้เท่าเทียมกันผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับกับผลที่พระอาลหันตสสาวกทั้งหลายได้รับกันนี้มีผลเท่าเทียมกัน คืได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันได้พบกับนิพพานังปรมังสุขขังเหมือนเท่าเทียมกันเหมือนกันไม่ต่างกันต่างแต่ต่างกันที่วิธีการทําให้ผลเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าต้องศึกษาด้วยตนเองค้นคว้าหาวิธีที่จะดับความทุกข์ด้วยพระ อ, องค์เอง ส่วนพระอาหารหันตาสาวกนี้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองศึกษาจากพระพุทธเจ้าการศึกษาจากผู้อื่นนี้ง่ายกว่าการศึกษาด้วยตนเองผู้ที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนั้นต้องมีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ที่ศึกษาจากผู้อื่นงัน พระบารมีของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นพระบา ร, รมีที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเช่นพระปัญญาบา ร, รมีถ้าไม่มีปัญญาบา ร, รมีระดับของพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบก่อนแล้วให้พระพุทธเจ้า มาเผยแผ่สั่งสอนถึงจะได้รู้จักพระอริยสัจสี่อย่างพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้จักพระอริยสัจสี่กันเลยาเมื่อไม่รู้จักพระอริยสัจสี่พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย เราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนแล้วก็มาประกาศพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการนำเอาพระอริยสัจสี่มาเผยแผ่ให้แก่พวกเราเมื่อพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของพระอริยสัจสี่ ถ้าเรามีศรัทธาเรามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลามตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นพวกเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะต้องปฏิบัติกับพระอาริยสัจสีอย่างไรนั่นเอง การปฏิบัติกับพระอริยสัจสี 4, นั้นก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งทรงสอนว่าทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องรู้ให้ชัดเจนว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าความทุกข์ก็คือการเกิดเมื่อเกิดแล้วก็มีความแก่ตามมา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมามีการพลาดพลากจากกันตามมานี่คือความทุกข์ที่เราจะต้องทำความรู้จักเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินเข้าไปหาเหมือนกับเรารู้ว่าสถานที่ตรงไหนมีอันตรายเราก็จะไม่ไปในสถานที่นั้น เป็นสถานที่นั้นมีลูกระเบิดมันมีชอบเกิดเหตุเหตุระเบิดขึ้นอยู่เรื่อยๆหรือสถานที่นั้นมีไฟไหม้อยู่เรื่อยๆสถานที่นั้นมีฝน้ำท่วมอยู่เรื่อยๆสถานที่เหล่านั้นก็เป็นเหมือนสถานที่ที่อันตรายต่อชีวิตของพวกเราเราก็ต้องศึกษาเวลาเราจะไปสร้างบ้านปลูกบ้านอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้ว่าที่ตรงนี้ มันเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือไม่สร้างบ้านแล้วน้ำท่วมหรือไม่ถ้าน้ำท่วมสร้างไปแล้วเดี๋ยวก็พังหรือว่าไปสร้างบ้านที่มีแผ่นดินไหวสถานที่ที่มีแผ่นดินไหวนี่ก็คือการรู้ภัยทางธรรมชาติส่วนการรู้ภัยทางจิตใจก็คือให้รู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิด ความทุกข์แก่ใจของเราสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่ใจของเราก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพาดจากกันนี่คือสถานที่ที่เป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราเหมือนกับสถานที่ที่มีน้ำท่วมมีแผ่นดินไหวมีไฟไหม้มีพายุ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเราเราต้องศึกษาให้รู้เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ตามสถานที่นั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ทางจิตใจเราก็ต้องรู้ว่าการมาเกิดนี้ทําให้เกิดความทุกข์การเกิดแล้วก็มีความแก่ความแก่ก็ทําให้เกิดความทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้เกิดความทุกข์ความตายก็ทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็การพัดพรากจากกันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเรา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 อย่ามาเกิดเพราะมาเกิดแล้วจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาคจากกันสอนให้เรารู้ให้หลีกเลี่ยงการเกิดเมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดไม่ดีเราก็จะได้ศึกษาขั้นต่อไปว่าอะไรทำให้เรามาเกิดอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตงความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่ามีอยู่สามประการด้วยกันคือตัณหาสามข้อสามประการคือหนึ่งการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะสองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากมี ยศถาบรรดาศาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอำนาจวาสนานี่เรียกว่าภาวะตัณหาและข้อที่สามก็คือวิปะวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด ความทุกข์ใจขึ้นมาต้นเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดกันเวลาเรามีความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสผดทะพะเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกา ย, เ, ยเวลาเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องมีร่างกาย เมื่อเรามีความอยากมีร่างกายเราก็จะมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะถ้าเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะไม่สามารถทำตามความอยา ก, กาดได้ไม่สามารถทำทำตามความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสได้ไม่สามารถทำตามความอยากมีอยากเป็นได้ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้ เราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เมื่อได้ร่างกายอันใหม่มาเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราต้องมาพัดพากจากกันและกันอยู่เรื่อยๆเพราะคนทุกคนที่มาเกิดแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องต้องตายจากกันไปถ้าเราสามารถหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้หยุดกามะตัณหาหยุดภาวะตัณหาและหยุดวิภาวะตัณหาได้เราก็จะไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่มีความอยากที่จะต้องดูดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรดสัมผัส อะไรต่างๆผ่านทางร่างกายไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือการดับทุกข์เกิดจากการละตัณหาเราต้องละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา นี่คือกิจข้อที่สองในพระอริยสัจ ส, สีคือต้องละตัณหาละละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ ก, ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าเราละได้เราก็จะทําให้ความทุกข์ดับไปความทุกข์ดับไปก็คือนิโรดนี่เองนิโรกก็คือความดับของความทุกข์ นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาท่านบอกทำนิโรธให้แจ้งทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยการละตันหาความอยากด้วยการกำหนดรู้ความทุกข์ให้รู้ว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความอยากทั้งสามเพราะเมื่อมีความอยากทั้งสามก็ต้องมาเกิดต้องมามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพากจากกันซึ่งไม่มีใครอยากจะมีกันไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะตายกันไม่มีใครอยากจะพัดพลากจากกันแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันร่วงพ้นความจริงอันนี้ไปไม่ได้ ท่านถึงสอนให้เราเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าการมาเกิดนี้นำมาสู่ความทุกข์ทั้งหลายนำมาสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันให้เราสอนใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเมื่อเรารู้แล้วว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์เราก็จะได้ ละตันหาต้นเหตุที่จะทำให้เรามาเกิดเราก็ต้องละตัณหาการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาและการที่จะละตัณหาได้ก็ต้องใช้เครื่องมือคือมรคนี้เองมรคนี้เราต้องสร้างขึ้นมาต้องเจริญต้องสร้างให้สมบูรณ์มรที่พระเจ้ทาทรงสอนให้พวกเราสร้างก็คือทานศีลและภาวนานี้เอง การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่การมาสร้างทานศีลภาวนานี้เพื่อที่จะมาละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อละตัณหาได้ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาก็จะหายไปจะดับไปนิโรธก็คือการไม่มีความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้น กิข้อที่สีที่เราต้องทําถ้าเราอยากจะทําให้นิโรธแจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็คือเราจะต้องสร้างมรรคกันจเจริญมรรคกันมรรคที่เราต้องสร้างก็คือทานศีลและภาวนาทานก็คือการาทำลายเครื่องมือของตันหานั่นเองตันหานี่เป็น ทำลายเครื่องมือของตันหาคืออะไรก็คือข้าวของเงินทองต่างๆตันหานี้เวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้ออยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ต้องมีเงินมีทองไปซื้อข้าวของมาแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราจะเอามาใช้ตามความอยากนี้เอามาให้ทานเสีย เราก็จะไม่มีเงินทองที่จะเอาม า, าทาตามความอยากต่างๆเการทำทานนี้จึงเป็นการตัดสะพานของตันหาที่ใช้เงินทองเป็นทางเดินเป็นสร้างสร้างสร้างตันหาความความอยากขึ้นมาถ้ามีความอยากแล้วแต่ไม่มีเงินที่จะไปทาตามความอยากก็จะไม่สามารถทาตามความอยากได้ เมื่อไม่ทําตามความอยากก็เท่ากับการละความอยากการหยุดความอยากนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทําทานตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแต่พระองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ล้วนเป็นเครื่องมือของตันหาความอยากทั้งนั้นเวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ซื้อมาหามาความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขที่ได้มาปั๊บก็หายไปแล้วก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่หาไม่ได้เวลานั้นก็ไม่ได้ความสุขแต่ได้ความทุกข์กลับมาแทนพระองค์จึงเห็นโทษของการมีทรัพย์เห็นโทษของการใช้ทรัพย์ ทำตามความอยากต่างๆพระองค์จึงสละให้ทานสละพระราชสมบัติเพื่อที่จะได้ไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการทำตามความอยากต่างๆก็ถือว่าเป็นการละความอยากได้ในระดับหนึ่งเมื่อไม่มีเงินทองจะอยากไปเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไม่ได้อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ซื้อไม่ได้ อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างมรรคขึ้นมาสร้างเครื่องมือที่จะมาทำลายความอยากขั้นที่หนึ่งคือการทำทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือเป็นการที่จะป้องกันหรือหยุดความอยากที่จะไปทำบาปนั่นเองเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าไม่สามารถไปซื้อมาได้เพราะไม่มีเงินมีทองก็จะอาจต้องไปลักขโมยเงินทองของผู้อื่นมาซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้แล้วถ้าไปเกิดการต่อสู้กันก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นได้เมื่อไปฆ่าผู้อื่นแล้วก็จะเกิดโทษตามมาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าคุกเข้าตารางไปก็จะทาให ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติการสร้างมรกได้ผู้ที่ต้องการจะสร้างมรกเพื่อที่จะมาทำลายตานหาความอยากต่างๆจึงต้องมีศีลเริ่มตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปมีศีลห้าแล้วก็ต้องมีศีลแปดเพราะศีลแปดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตาข่ายรือวร้วกั้นความอยากได้อกีก ชั้นหนึ่งเช่นเวลาเรามีความอยากที่จะไปหลับนอนกับแฟนของเราถ้าเราถือศีลแปดนี้เราก็จะทําไม่ได้การถือศีลแปดนี้ก็เพื่อเป็นการระ ง, งับกามาตันหานั่นเองคือการขีดเส้นห้ามไม่ให้กระทําไม่ให้หาความสุขด้วยกามาตันหา การรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันถ้ารับประทานแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุไม่มีผลก็จะเป็นการส่งเสริมตันหาความอยากไม่ใช่เป็นการละตันหาความอยากการถือศีลข้อหกนี้ก็เป็นเหมือนกับการละความอยากเพราะจะรับประทานอาหารเท่าที่จําเป็นเท่านั้นรับประทานเพื่อให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พอ ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารตลอดเวลาสามสี่เวลาด้วยกันรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอีกเพราะถ้ารับประทานหลังจากเที่ยงวันไปก็ถือว่ารับประทานเพื่อตัญหาเพื่อความอยากแทนที่จะละความอยากกลับมาส่งเสริมความอยากถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะละตันหาไปได้อีกในระดับหนึ่ง ละตันหาคือกามาตันหาความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ดีด้วยการรับประทานอาหารก็ดีด้วยการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ดีด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่วิจิตพิสดารมีสีมีสัร ม, มีความสวยความงาม เรื่องการแต่งหน้าตาปากเสริมสวยทำเผาทำผมการใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆการกระทำเหล่านี้เป็นการส่งเสริมตันหาไม่ใช่เป็นการละตานหาแต่การรักษาศีลแปดคือการไม่กระทำสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการละตันหาเช่นเดียวกับการหลับนอนหลับนอนบนพื้นแข็งไม่ได้หลับนอนบนฟูกหนาหนา เพราะการหลับนอนบนฟูกหนาๆก็เป็นการส่งเสริมตันหาความอยากนอนความอยากสบายกับการหลับนอนถ้าหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายนี้นอนบนพื้นแข็งๆก็นอนหลับได้เหมือนกันแล้วพอตื่นขึ้นมาพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่นอนต่อไปเพราะนอนแล้วมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาความสบายจากการหลับนอนความสุขจากการหลับนอนที่เป็นกามาตัาหานี้ก็จะอยากจะนอนต่อนอนต่อก็เลยไม่ลุกขึ้นมานอนต่ออีกหลายชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลาจากการหลับนอนมาปฏิบัติมาสร้างมรรคมาทําใจให้สงบเพื่อจะได้ กาจัดตันหาความอยากให้หมดไปก็ต้องเสียไปกับการหลับนอนแทนที่จะละตันหาก็กลายเป็นการสะสมตันหาสร้างตันหาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของศีลหน้าที่ของศีลหน้าที่ของศีลก็มีเพื่อไว้ตัดหรือตัดกําลังของตันหาความอยากต่างๆการะตันหาภาวะตันหาวิภวตันหา ให้เบาบางลงไปแล้วขั้นที่สามก็คือการภาวนามักขั้นที่สามเครื่องมือชิ้นที่สามที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้ทำลายตันหาความอยากให้หมดไปอย่างถาวรภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภ า, ภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาได้ก็ต้องผ่านชั้นมัธยมก่อนฉัน้นใดการภาวนาก็เช่นเดียวกันการภาวนานี้ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมถภาวนาก่อน ขั้นสมถาภาวนาก็คือการทำใจให้สงบการทำใจให้สงบและหยุดความอยากไว้ชั่วคราวแต่ความสงบจากสมถาภาวนานี้ไม่สามารถที่จะทําลายความอยากได้อย่างถาวรเพียงแต่หยุดไว้ชั่วคราวขณะที่อยู่ในความสงบแต่พอออกจากความสงบมาพอใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็จะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาใหม่ได้เพราะตันหานี้ไม่ได้ตายด้วยการทำใจให้สงบแต่การทำใจให้สงบนี้จะทำให้ใจมีพลังมีกำลังที่จะต้านความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้ามีปัญญาสอนใจบอกให้รู้ว่าตอนนี้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วและไม่ควรทำตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะคอยเตือนใจสอนใจว่าเกิดกม า, า, ามวตัน ห, หาแล้วอย่าไปทำตามการมวตันหาเกิดภาวะตันหาแล้วอย่าไปทำตามเกิดวิภาวะตันหาแล้วอย่าไปทำตามเพราะถ้าทำตามจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เกิดความสุขขึ้นมา ถ้ามีวิปัสสนาคอยเตือนใจคอยสอนใจแล้วก็มีสมถภาวนาที่มีพลังที่จะหยุดความอยากได้พอปัญญาบอกให้หยุดความอยากสมถภาวนาก็จะหยุดได้ใช้ใช้สมถภาวนาหยุดถ้าหยุดด้วยด้วยปัญญาต่อไปตัหาความอยากต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา สมถาภาวานานี้ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นต้นเหตุของความทุกข์ผู้ที่รู้ก็คือปัญญาคือวิปัสสนาภาวานาวิปัสสนาจะรู้ว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงนําไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วก็นําไปสู่ความทุกข์เพราะว่าเมื่อไม่สามารถเวลาใดที่ไม่สามารถทําตามความอยากได้ ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาใดสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความรู้นี้สมถภาวนาไม่มีความสามารถที่จะรู้สมถภาวนามีความสามารถเพียงแต่หยุดตัณหาความอยากไว้ได้ชั่วคราวด้วยการทำใจให้สงบนิ่งแต่ไม่สามารถทำลายตัณหาความอยากได้อย่างถาวอน ผู้ที่จะทําลายตัณหาความอยากได้ก็คือวิปัสสนาภาวนาคือความรู้ว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนําไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยากได้อะไรแล้วพอทําเสร็จพอได้มาแล้วก็ไม่พออยากได้ใหม่อีกได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้ใหม่เรื่อยๆนี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนา จะเห็นโทษของความอยากเมื่อเห็นโทษของความอยากก็จะไม่ทำตามความอยากต่อไปถ้ามีสมถภาวนาก็จะสามารถผืนความอยากต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีสมถภาวนามีวิปัสสนาภาวนารู้ว่าการทำตามความอยากเป็นโทษเป็นการนำมาสู่ความทุกข์แต่ถ้าไม่มีสมถภาวนาก็จะไม่มีกำลังฝืนความอยากได้ รู้ว่ามันเป็นโทษแต่ก็ยังอดไม่ได้เช่นคนที่รู้ว่าการดืม่มสุรานี้ไม่ดีเป็นโทษแต่ถ้าไม่มีกำลังไม่มีสมถาภาวนาไม่มีสมาธิไม่มีความสงบจะไม่สามารถถืนความอยากได้ความอยากต่างๆนี้จะหยุดได้ก็ต้องหยุดได้ด้วยกำลังของสมาธิแล้วก็จะทำลายความอยากได้อย่างถาววนก็ต้องเกิดจากการเห็นโทษของความอยาก การจะเห็นโทษของความอยากนี้ก็ต้องเกิดจากการมีปัญญานั่นเองมีปัญญาเห็นว่าการมีความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายจะนําไปสู่การต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเวลาร่างกายอันนี้ตายไปถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์อยู่ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จะอยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะอยู่เฉยๆมันจะทุกข์มากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาวิธีที่จะบรรเทาคลายความอยากก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แต่การบรรเทาความทุกข์แบบนี้ไม่ใช่เป็นการบรรเทาความทุกข์ที่ถาวรเป็นการบรรเทาความทุกข์ชั่วคราวเพื่อสร้างความทุกข์อันใหม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่พอมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปเสรความ าตามความอยากใหม่ไปเจ็บกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหากันแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตราบใดยังไม่เห็นโทษของความอยากวิปัสสนานี i มีหน้าที่สอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์ ทุกทุกทั้งในขณะที่อยากและทุกในขณะหลังจากที่ได้สิ่งที่อยากมาแล้วเพราะสิ่งที่ได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสูญไปหมดไปเวลาสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมานี่คือการสร้างวิปัสสนาภาวนาขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าความอยากนี้ เป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์ต่างๆเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไปเกิดพอมาเกิดแล้วก็จะเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพาจากกันขึ้นมาถ้าสามารถสร้างมรรคให้สมบูรณ์ถ้าสามารถสร้างทานศีลภาวนาได้สมบูรณ์ก็จะมีอาวุธหรือจะมีเครื่องมือไว้ทำลายความอยาก เป็นเครื่องมือที่จะมาละตัญหาทั้งสามนี้ที่เป็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์หน้าที่ของผู้บำเพ็ญจึงอยู่ที่การมาสร้างมครคนี้เองถ้ามีมรก็จะมีปัญญาที่จะมาสอนใจให้กำหนดให้รู้จักทุกว่าคืออะไรให้รู้ว่าทุกก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกัน แล้วก็จะรู้ว่าต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือสมุทยัยคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วก็รู้ว่าวิธีที่ที่จะทำให้นิโรธปรากฏแจ้งขึ้นมาทำให้ความทุกข์ดับไปนั้นดับด้วยการสร้างมรรคขึ้นมาสร้างมรรคขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายสมุทยัย มาละสมุทัยมาละตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาผู้ใดได้สร้างมรรคขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วได้ทําทานเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วรักษาศีลได้เต็มที่แล้วบําเพ็ญจิตตภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เต็มที่แล้วก็จะได้มรรคเต็มที่ เมื่อมีมากเต็มที่ก็จะสามารถที่จะละตัณหาละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ได้อย่างเต็มที่นิโรธคือความดับทุกข์อย่างเต็มเต็มร้อยก็จะปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์ที่เต็มร้อยก็เรียกว่านิพพานนี่เองนิพพานก็คือจิตที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าปรมังสุ ข, ขังนี้วัล ม, มสุ เกิดจากการเจริญมรดได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่เจริญทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้นิโรธอย่างเต็มที่เพราะมรดนี้จะไปทาลายสมุทัยได้อย่างราบคาหมดสิ้นไปด้วยการกำหนดรู้ทุกอยู่ตลอดเวลารู้ว่าทุกนี้คือการเกิดแก่เจ็บตาย การพัดผ้าจากกันถ้าไม่อยากจะมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องละสมุทยัยคือตัญหาความอยากให้หมดไปจากใจพอละตัญหาได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่มีเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะท่านได้ทำกิจในพระอริยสัจ ส, สี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว คือทุกก็ได้ศึกษาได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยก็ได้ละแล้วนิโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อได้บาเพ็ญภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วการชิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตามถ้าสามารถ บำเพ็ญกิจในพระ อ, อริยสัจสีทั้งสี่ประการนี้ได้ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะบรรลุถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าจะมีปรากฏมาอยู่เรื่อยๆพออระอรหันตสาวกก็มีมาปรากฏอยู่เรื่อยๆเพราะสัจธรรมความจริงทั้งสี่ประการนี้เป็นอาการลิโก้นั่นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนี้มีพระอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะมีผู้รู้ผู้เห็นพระอริยสัจสี่นี้หรือไม่ทท่านั้นเองถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้ารู้แล้วเห็นและสามารถบำเพ็ญกิจในอริยสัจสี่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสมัยใดก็ตามจะเป็นสมัยพระพุทธการก็ได้สมัยปัจจุบันนี้ก็ได้ สมัยอนาคตที่จะที่จะตามมาต่อไปสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ <_ d ance> ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรากฏขึ้นมาผู้ที่มาเห็นพระอริยสัจสีและสามารถปฏิบัติกิจในพระพระอริยสัจสีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป <_ d ance> ถ้าสมมุติว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้เสื่อมหายไปจากโลกนี้แล้ว คือไม่มีใครรู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วมนุษย์ที่มาเกิดภายหลังก็จะต้องหาคําสอนนี้ขึ้นมาใหม่ต้องค้นคว้าขึ้นมาใหม่ต้องหาอริยสัจสีขึ้นมาใหม่เหมือนกับสมณโคดมของพวกเราที่ต้องค้นหาพระอริยสัจสีขึ้นมาใหม่ด้วยพระองค์เองเพราะว่าพระอริยสัจสีของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นั้นได้ หายไปหมดแล้วไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเมื่อไม่มีพรไม่มีใครสอนเรื่องพระอริยสัจสี่ก็เลยไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอมีผู้ที่มีความสนใจมีความอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเจ้าชายสิทธัตถะ ก็เกิดมีความพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าหาหาความรู้อันนี้แล้วในที่สุดก็สามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ขึ้นมาด้วยพระ อ, องค์เองเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคโดมนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องค้นคว้าหาวิธีหามรรค ในที่สุดก็ทรงพบมรรคเมื่อทรงพบมรรคก็ทรงเห็นเห็นเห็นพระอาริยสัจ ส, สี่ทั้งสี่ประการเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคแล้วก็ปฏิบัติกิจของพระอาริยสัจ ส, สี่ทั้งสี่ประการได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็สามารถที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นจะต้องรู้จักพระอริยสัจสี่จำเป็นจะต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ถ้ามีคนสอนก็ถือว่าเป็น โชคเป็นวาสนาเพราะไม่ต้องเสียเวลาศึกษาค้นคว้าหาได้หาด้วยตนเองเพราะการที่จะพบพระอริยสัจสี่นี้จะต้องมีปัญญาระดับของพระโพธิสัตว์เท่านั้นซึ่งมีน้อยมากที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์กันพวกเรานี้ไม่ถือว่าเป็นพโพธิสัตว์พวกเราเป็นเพียงพวกสาวกกระพมต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏ มานําเอาพระอริยสัจสี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราจึงจะสามารถที่จะรู้จักพระอริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้อย่างสมบูรณ์ขณะที่รู้แล้วได้ยินแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติกันได้ก็มีจํานวนมากมีจํานวนไม่ไม่มากเลยที่สามารถที่จ ะ, ป, ะปฏิบัติภารกิจของพระอริยสัจสี่ได้น อย่างในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราก็คงจะได้พบได้กราบว่าพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านเหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้พระอริยสัจสี่จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วท่านก็นําเอามาปฏิบัติมาปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่มากําหนดรู้ทุกขมาละสมุ ท, ทยัย มาทำนิโรธให้แจ้งมาเจริญมรรคให้สมบูรณ์พอท่านปฏิบัติกิจในพระรยาศัสตร์ศีได้สมบูรณ์ท่านก็ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาหลังจากที่ท่านตายไปแล้วอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุไปอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลนี้ได้หลุดพ้นแล้วจิตของท่านได้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทำลายตัณหาต่างๆหมดไปจากจิตจากใจแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องรู้จักจะต้องปฏิบัติกิจทั้งสี่ประการในพระอริยสัจสี่นี้ให้ได้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดจากการพัดพราคจากกันเราก็ต้องมาศึกษาพระอริยสัจสีกันศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกิจในพระอริย ส, สัจสีคือข้อที่หนึ่งทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องทุกต้องศึกษาต้องรู้ว่าทุกคืออะไรทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็ศึกษาว่าต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าละตัณหาทั้งสามได้ก็จะทำให้ทุกข์ดับไปทุกข์ดับก็คือนิโรดนี้เองการดับทุกข์ก็คือนิโรดก็จะทาให้นิโรด ปรากฏขึ้นมาทําให้นิโรธแจ้งการที่จะทําให้นิโรธแจ้งการที่จะละตันหาได้ก็ต้องใช้มักก็ต้องบําเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่ให้เต็มร้อยเมื่อได้ทานบําเพ็ญทานศีลภาวนาได้เต็มร้อยแล้วก็จะได้มักมาละตันหาต่างๆให้หมดไปเมื่อตันหาหมดไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็หายไปหมด นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาการการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดการทำลายของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจะต้องเข้าถึงจะต้องปฏิบัติให้ได้คือ ป, ปฏิบัติกิจในอริยสัจ4ี่นี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาเรื่องของพระอริยสัจ4ี่และการปฏิบัติกิจในพระอริยสัจ4ี่นี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ถาวรเพื่อความดับทุกที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวะหาปุราปารกปุเรนติสาขลัง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 มาเตผวตะวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะอาภิวาธนสีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรมมวทาติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคําถามอยากจะถามก็ขอความการุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาเชิญได้ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็จะให้พิธีกรช่วย ถามตอบปัญหาถามปัญหาของทางบ้านคำถามจากผู้ฝากถามหากมีความศรัทธาและชอบฟังธรรมะคำสั่งสอนแต่ฟังในห้องน้ำหรือเวลาอาบน้ำขับรถซึ่งมีสมาธิดได้ดีจะบาปหรือผิดประการใดหรือไม่คะมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ผลที่จะจะได้รับจากการฟัง โดยความเหมาะสมมันการฟังธรรมนี้เขานิยมฟังเวลาทีอา่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ได้อยู่ในห้องน้ำห้องท่าอะไรอย่างนั้นมันไม่เหมาะสมแต่มันไม่เสียหายตรงไหนถ้าเราใส่หูฟังแล้วเราจะทำธุรกิจไปแล้วก็ฟังไปก็ไม่มีปัญหาอะไร พงแต่ว่าในสายตาของชาวบ้านของคนอื่นเขาอาจจะมองว่าไม่ให้ความเคารพต่อพ่อธรรมคำสอนแต่การฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดผลจริงๆนี่นคนจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายไม่ควรกระทำอะไรเพราะเวลาเราทำเราทำงานหรือทำอะไรแล้วเราฟังธรรมไปใจของเราจะแบ่งเป็นสองครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การทางาน อีกครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่การฟังการฟังก็อาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็จะไม่ได้รับผลเท่าที่ควรจะได้รับแต่ถ้าถามว่าระหว่างฟังธรรมกับฟังเพลงอันไหนดีกว่าก็ฟังธรรมดีกว่าฟังเพลงในขณะที่เราขับรถหรือเราทำงานอะไรต่างๆแทนที่เราเคยฟังเพลงเราก็มาฟังธรรมแทนอันนี้ก็ดีกว่าแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ ให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วฟังทมจะยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้เต็มร้อยใจของเราจะได้จดจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียวไม่ต้องมากังวลกับงานที่เรากำลังทาอยู่กับการฟังสลับกันไปมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างทมกับงานที่เราทำดังนั้นก็มันก็มีการดูความเหมาะสมดูผลที่เราจะพึงได้รับว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน คำถามจากคุณพีรพงศ์ผมเป็นคนพิการมีอาชีพขายลอตเตอรี่อยากปฏิบททัติธรรมอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือไม่ครับอาชีพทุกอาชีพมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบททัติธรรมทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันจะเอาเวลาของการปฏิบัติธรรมไปทํากับอาชีพนั่นเองดังนั้นคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ก็ต้องอหยุดอาชีพต่างๆ เป็นพระราชโอรสก็ต้องสละราชสมบัติเป็นเจ้านายใหญ่โตก็ต้องลาออกจากงานแล้วก็มาปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินี้ต้องใช้เวลานั่นเองต้องมีเวลาปฏิบัติถ้าเราเอาเวลาไปทรมาหากินเลี้ยงชีพทำอาชีพต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติแต่ถ้าเรายังต้องทรอาชีพอยู่ก็หาอาชีพที่มันใช้เวลาน้อยที่สุด เช่นแทนที่จะทำงานห้าวันต่ออาทิตย์อาจจะทำงานแค่อาทิตย์ละวันสองวันเช่นเป็นพนักงานขายตรงขายประกันขายอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องไปที่สำนักงานที่จะต้องทำงานทั้งห้าวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นสามารถเลือกเวลาทำได้ถ้าเราอยากจะมีเวลาปฏิบัติธรรม เราก็ต้องแบ่งเวลาจากการเอาใช้เอาเวลาไปใช้กับการทามาหากินนี้คือทำให้มันน้อยลงทำพออยู่ได้ก็พออย่าทำเพื่อให้ร่มให้รวยเพื่อให้มีเกียรติมีอะไรต่างๆว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันจะมาทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมที่เป็นของถาวรได้ คำถามจากคุณพีระพงต์ต่อค่ะผมเลือกวิธีอานาปานสติเหมาะสมหรือไม่สำหรับปูถุชนผู้เริ่มใหม่และอยู่ท่ามกลางรูปและเสียงที่มากมายหรือควรปฏิบัติด้วยวิธีใดครับก็เลือกวิธีที่เรารู้สึกสบายแล้วก็ได้ผลดีวิธีไหนก็ได้เพราะพระพุพพทธเจ้านี้ทรงกำหนดสอนถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเหมือนกับการรับประทานอาหาร เราก็เลือกรับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอเราแต่ผลมันก็ได้เหมือนกันคือรับประทานแล้วก็ได้ความอิ่มันใดการใช้กรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารให้กับใจเราก็เลือกกรรมฐานที่ถูกถูกใจเราที่เหมาะกับใจเราที่เราสบายแล้ว ร, รู้สึกง่ายกับเราเราก็ใช้อ น, นัน แล้วก็ได้ผลดีด้วยต้องดูที่ผลด้วยควรจะดูที่ผลเป็นหลักว่าเราใช้วิธีใดที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ควรจะใช้วิธีนั้นไปคำถามจากผู้ฝากถามลูกที่ใช้ให้พ่อแม่ทางานบ้านให้เช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทากับข้าวลูกจะบาปไหมคะและพ่อแม่ควรจะวางใจอย่างไรถ้าจะไม่ให้ลูกเป็นบาป การใช้พ่อแม่เนี่มันเป็นเรื่องของอความไม่ปกติซึ่งปกติแล้วมีแต่พ่อแม่ที่จะใช้ลูกลูกไปใช้พ่อแม่อันนี้ก็เหมือนกับว่ายกตนถมท่านข่มท่า น, ท, านทำตนเองสูงกับพ่อกับแม่ทำพ่อแม่เป็นเหมือนคนรับใช้ทำตนเองเป็นเจ้านายซึ่งไม่เหมาะสมกับฐานะ ผู้ที่รู้ตนรู้บุคคล น, นี้จะต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำว่าพ่อแม่นี้เป็นบุคคลที่เราต้องยกย่องเทิดทูบูชากล า, าวไหวเคารพนับถือและรับใช้ท่านเพราะท่านทำอะไรให้กับเรามากมายเราควรที่จะหาโอกาสตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการช่วยเหลือทำงานทำการต่างๆยกเว้นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ถึงขนาดนั้นเราก็ใช้พ่อใช้แม่ไม่ได้นอกจากพ่อแม่สมัครใจที่จะมาทําเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ไม่ไม่เป็นบาปถ้าเราไม่ไปใช้ท่านถ้าเราไปใช้ท่านนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ที่สูงที่ต่าก็จะทําให้เราเป็นคนที่น่ารังเกียจใครที่รู้เข้าก็จะไม่มีใครอยากจะ คบค้าสมาคมหรือให้ความสนับสนุนเพราะถ้าไปสนับสนุนคนอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาใช้เราเป็นขี้ข้าต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งสังเกตพฤติกรรมคนใกล้ชิดแล้วเห็นว่าบางคนมีเหตุผลโอบอ้อมเอื้อเฟื้อจะทำอะไรนึกถึงจิตใจคนอื่นบางคนไม่มีเหตุผลคิดถึงแต่ตัวเอง เอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่สนใจใครแม้จะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าจิตใจคนมีที่มาต่างกันบางคนมาจากที่สูงบางคนมาจากที่ต่ำดูได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกในปัจจุบันใช่ไหมเจ้าคะใช่คนที่มีความเมตตาก็เป็นคนที่มาจากที่สูงคนที่เป็นเทพเป็นพรหมอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จิตใจจะมีศีลมีสัตย์มีธรรมมีความเมตตาจะทำอะไรนี้จะคานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นจะไม่สร้างความเดือดร้อนจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนบุคคลที่มาจากอบายเช่นมาจากการเป็นเดรัจฉานจะเป็นบุคคลที่ปราศจากความเมตตาจะมีแต่ความโลภโมโทสันความเห็นแก่ตัวความอยากได้ประโยชน์ใส่ตน ก็จะไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นนี่คือลักษณะของจิตที่ทําบุญหรือทำบาปทําบาป ก, ก็จะเป็นคนลักษณะเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนที่ทําบุญก็จะเป็นคนที่เสียสละมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกังวล อบการกระทาของตนว่าจะไปกระทบไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ข้อที่สองคนที่ติดอใยามุขเที่ยวกลางคืนติดยาเสพติดเล่นการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรการกระทําของเขาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ด้วยการลักทรัพย์ในบ้านไปขายเอาเงินไปใช้ในอายในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีจิตใจมืดบอด คนแบบนี้ใช่ไหมคะที่พระพุทธเจ้าจําแนกเป็นบัวบัวเหล่าที่สี่และการที่เขาไม่สํานึกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นเป็นบาปก็จะไม่มีวันรู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษและไม่รู้ทางสว่างใช่แล้วถูกต้องแล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องเป็นคนในครอบครัวกับคนแบบนี้เตือนแล้วบอกแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องทําใจปล่อยวาง คือว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนรวมทั้งเราที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับคนแบบนี้คิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วคําถามต่อไปจากคุณพุทธิชยาถ้าเราตั้งใจว่าจะภาวนาตลอดทั้งวันโดยการเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิอย่างละหนึ่งชั่วโมงทําสลับกันไปตลอดทั้งวันแบบนี้ได้ไหมคะ ได้ถ้าจะให้ดีก็ให้มันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีเดินสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็นั่งสองสามชั่วโมงยิ่งเดินนานยิ่งนั่งนานก็จะได้ผลมากขึ้นเพราะจิตจะได้รับการขัดเกลาได้มากขึ้นกว่าการนั่งสั้นๆเดินสั้นๆแต่ในเบื้องต้นถ้ายังนั่งนานเดินนานไม่ได้ก็นั่งไปตามกาลังของเราก่อนเดินไปตามกาลังของเราก่อน แล้พยายามเพิ่มการนั่งการเดินให้มันมากขึ้นไปตามลําดับำำมหมดแล้วปัญหาอมืมีใครอยากจะถามปัญหาไหมหลวงพ่อเจ้าคะหนูไปทําทําตามที่ที่เรียนหาสลวงพ่อเมื่ออาทิตอาทิตย์ที่แล้วค่ะว่าพอพอสวสดปณเสร็จดูกายในกายเหมือนหลวงปู่เจี้ยเจ้าคะ่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ดู เป็นกะโหลกใช่ไหมเจ้าคะมันก็ไม่นิ่งเจ้าคะ่ะสุดท้ายมันก็เริ่มบอกว่าทำไมมันไม่นิ่งดูกะโหลกเสร็จก็มาดูเป็นเป็นอนาโตมีมันก็ไม่นิ่งอีกเอ้าแล้วมันก็เหนื่อยเจ้าคะ่ะก็เลยบอกเอางี้กลับมาดูลมปลายจมูกดีกว่าดูดูลมปลายจมูกมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่ต้องไปไปฟุ้งซ่านในการที่จะเพ่งเจ้าคะ่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยมีคําถามเรียนถามหลวงพ่อว่า ถ้าเราดูไปจะหมูกไปเรื่อยๆถ้าเกิดในขณะที่นั่งไปเรื่อยๆแล้วแล้วเราเริ่มเบื่อหรือว่าเริ่มเริ่มฟุ้งออกไปเนี่ยเราก็กลับมาเข้ามาในรูปแบบเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะเช่นสวดมนต์ดูกายในกายแ<ช>สดงสติกำลังเพ่งของเรามันหมดไปก็ต้องใช้การสวดมนต์เรื่การบริกรรมเป็นการดึงสติกับคืนขึ้นมาใหม่อ๋อถ้าถ้าสมมติ ด, ดูลมได้แล้วถ้าดูลมได้ไม่ต้อง ไม่ต้องสวดก็ไม่ต้องสวดดูไปเรื่อยๆได้จนสติอ่อนก็กลับมาสวดพุทธโธ<อ>ใหม่มาสวดมนต์ใหม่มาสร้างสติขึ้นมาใหม่ค่ะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าสวดมนต์ไปแล้วมันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านมากก็อาจจะสวดสั้นๆไปเลยใช่ไหมก็ไม่ต้องสวดอะไรก็ได้ถ้าไม่ฟุ้งถ้าดูลมได้เลยก็ดูไปเลยพอแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ จะมีคนมาใหม่หลายคนไม่มีใครอยากจะถามอะไรเลอถามได้นะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาปิดไมโครโฟนแล้วก็จะจะไม่ไม่ไม่ตอบคําถามนะค่ะคือเวลาที่หนู่นั่งสมาธิช่วงนี้ค่ะส่วนมากพอนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นเป็นแสงต่างๆแล้วก็พอนั่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบ เป็นแสงเล็กๆ เ, เกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็จะมีดวงใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็อย่าไปสนใจให้ให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปเสียสมาธิกับการไปดามรู้แสงสีเสียงที่ปรากฏมาให้รับรู้ เพราะว่ามันจะทำให้จิตของเราไม่รวมเข้าสู่ความสงบถ้าเราอยากจะให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบสู่ความว่างสู่อัปปนาสมาธิเราต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้ถ้าอยู่กับลมใช้ลมก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจปล่อยเข้า ไปตามเรื่องของเขาเขาจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปบังคับให้เขาหายไปแล้ว อ, อย่าไปติดตามดูเขาไปให้เราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเพราะสิ่งที่เราได้รับรู้เห็นนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับใจเราเป็นเหมือนนั่งดูภาพยนตร์เพียงแต่ว่านั่งดูภาพยนตร์ภายในแทนที่จะใช้ตาเนื้อดูจอทีวีก็ดูภาพที่ปรากฏให้เห็นในใจเท่านั้นเองไม่ต่างกัน ไม่เกิดประโยชน์ไม่ทําให้เกิดให้จิตมีพลังที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากเราต้องการเข้าไปสู่จิตที่สงบนิ่งว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งมีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพราะอุเบกขานี้จะทําให้ใจเราเป็นกลางจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาออกจากสมาธิมาเราจะได้อุเบกขาติดมากับมือด้วย แต่ก็จะได้นานลได้มากได้น้อยได้นานเลิศไม่ไม่นานก็อยู่ที่การที่เราเข้าไปอยู่ในสมาธิถ้าอยู่ในสมาธิได้นานก็จะได้อุเบกขาติดมาได้นานถ้าอยู่สั้นๆก็จะได้เดียวเดียวแล้วมันก็จะจางหายไปในเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงจาเป็นจะต้องเข้าไปสมาธิให้มากๆเข้าให้บ่อยๆเข้าให้ถึงจุดที่จิตว่างเป็นอุเบกขา เพื่อสร้างอุเบกขาขึ้นมาเราจะรู้ว่าเรามีอุเบกขาหรือไม่เวลาเราออกจากสมาธิมาเวลาเราได้ยินเสียงสัมผัสรูปต่างๆใจเราเป็นยังไงใจเรายังนิ่งหรือใจเราเริ่มอแกว่งไปแกว่งมานี้มันจะบอกเราทันทีว่าเรามีอุเบกขาหรือไม่มีอุเบกขานั้นพยายามเข้าไปสู่จุดที่มันว่างที่มันสงบนิ่งไม่ต้องทําอะไรศักแต่ว่ารู้นั่นแหละถ้ายัง มีภาพมีเสียงมีกลิ่นมีรสหรือมีอะไรให้เรารับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปหรือถ้าอยู่กับลมก็ให้อยู่กับลมไปจนกว่าจิตมันจะวุบลงไปนิ่งเหมือนตกหุุมตกบอ่อตกเขแล้วก็นิ่งสงบสบายตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรอยู่กับความว่างไปใหม่ๆมันก็จะเข้าไปปั๊บเดียวมันก็จะเด้งออกมาเพราะว่ากาลังที่ดันเข้าไปมันน้อยกว่ากาลังที่จะดันออกมา กำลังดันเข้าไปก็คือสติกำลังที่จะดันออกมาก็คือกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราสร้างสติให้มีมากขึ้นเรื่อยๆกำลังสติก็จะสามารถดันเกิตให้เข้าไปอยู่ข้างในและตั้งอยู่ได้นานพยายามฝึกสติให้มากๆทั้งในขณะที่เรานั่งหรือไม่นั่งเราสามารถจเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราทำอะไรอยู่ พยายามดึงจิตดึงใจให้อยู่กับงานที่เราทําก็ได้หรือให้อยู่กับพุทโธก็ได้อย่าไปอยู่กับความคิดต่างๆคิดในเรื่องอดีตคิดในเรื่องอนาคตที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับการงานก็คิดด้วยสติอให้มีสติจดสติจจ่ออยู่กับความคิดคิดเท่าที่จําเป็นพอคิดเรียบร้อยแล้วเสร็จงานแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมา อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปพอเรามีเวลาว่างเวลานั่งสมาธิเราก็จะมีกำลังสติจะมีกำลังมากก็จะสามารถทำให้จิตรวมได้ง่ายและเร็วและอยู่ได้นานนี่คือหลักของการทำสมาธิต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่เราจะออกไปทางปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เรารู้ว่าตัณหาเป็นโทษ การทำตามปัญหาเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เราก็จะไม่มีกำลังฝืนมันได้หยุดมันได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาพออยากได้อะไรก็จะไปทาตามความอยากทันทีแต่ถ้าเรามีอุเบกขาและเรามีปัญญาสอนว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่เดินเข้าหาความสุขเราก็จะหยุดทำตามความอยากได้ฝืนความอยากได้ พอเราฝืนความอยากด้วยปัญญาต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับกลืนมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาเรานั่งแล้วเห็นแล้วพอเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องดึงกลับมา อ, อยู่ที่ลมหายใจแสดงว่าไม่รู้ตัวแล้วถ้าอยู่ถ้ารู้ตัวมันก็มันก็มันก็จะไม่มันก็ไม่ตามไปในส่วนใหญ่สติเราเพลอแล้วพอแล้วปรากฏขึ้นมาก็หลงตามไปกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ ก็ยัต้องให้รู้อยู่กับพุทธโธไปถ้าใช้พุทธโธหรือถ้าใช้ลมก็ให้รู้อยู่กับลมไปเรื่อยๆไม่ว่ามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้หรือเสียงภายนอกก็กเช่นกันใครส่งเสียงดังก็ไม่ต้องไหลไปกับเสียงที่เขาส่งเสียงมาบางทีใครส่งเสียงดังก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากจะให้เขาเงียบอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุทธโธไป พูดเรื่องเสียงแล้วคือที่ที่หนูพักอยู่ค่ะคือมันจะติดกับถนนเลยค่ะแล้วรถก็ผ่านตลอดแล้วเสียงดังตลอดหนูก็พยายามนั่งสมาธิเอาหูฟังใส่หูฟังค่ะแล้วก็ฟังเทศหลวงตาไปด้วยค่ะหนูอยากทราบว่าควรจะทําต่อไปหรือว่าจะต้องไปอยู่ที่อื่นที่เงียบอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไปอยู่ที่เงียบได้ก็ดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เราอยู่ไปก่อนทําที่เราอยู่ไปก่อน แต่กว่าเราจะสามารถไปอยู่ที่มันเงียบได้เพราะสถานที่เงียบ ม, มันก็จะช่วยการทําใจให้สงบมาง่ายเพราะอุปสรรคมันน้อยสิ่งที่มารบ ก, กวนใจมันน้อยกว่าเราต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรดเพราะสิ่งเหล่านี้จะมาก่อกวนจะมารบ ก, กวนใจผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จึงมักจะไปปลีกไวเวกตามป่าตามเขากัน บางที่เหล่านั้นจะไม่มีเสียงบรบกวนใจเสียงนกเสียงกาเสียงลมพัดนี้จะไม่เป็นปัญหาเหมือนกับเสียงคนดันั้นถ้าอยากจะได้ผลดีจากการปฏิบัติก็ต้องมีที่ปฏิบัติที่เรียกว่าส ป, ปายะส ป, ปายะก็คือสบายทําให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องทำทำที่ที่เราอยู่ไปก่อนดีกว่าไม่ทำเหมือนกับปลูกข้าวมันก็มีปลูกข้าวบนเขากับปลูกข้าวในนานี้ผลมันก็ต่างกันปลูกข้าวในานาที่รุ่มที่มีน้ำเยอะมันก็ได้ผลเยอะถ้าไปปลูกบนเขาที่ดอนน้ำน้อยมันก็จะได้ผลน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ปลูกเลยเราอยู่ที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นไปก่อน แล้วพอเรามีโอกาสที่จะปีกไปที่อื่นได้ก็ขยับขยายไปอาจจะไปแบบสั้นๆก่อนก็ได้เช่นวันพระวันหยุดการทำงานเราก็ไปหาที่สงบไปภาวนาแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ช่วงไหนมีวันหยุดหลายวันเราก็ไปก็อย่างญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเขาก็ทำอย่างนี้กั น, ว, นวันไหนที่มีวันหยุดเขาก็ไปจองที่พักปฏิบัติธรรมกันตามสถานที่ต่างๆ ดีก็อยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านมันไม่สับปายอะ่ะมันมีแต่ปัจจัยที่คอยฉุดถ่วงการเจริญของการทําใจให้สงบแต่การไปอยู่ที่วัดที่ที่อยู่ในป่านในเขานี่มันช่วยการเจริญความสงบพอใจเลยนะค่ะหลวพอจะพ้ะคะตอนตอนนั่งสมาธิก็คือว่าของหนูนี่ ดูลมแล้วค่ะตอนนี้จับมาเป็นเหมือนที่หลวงพ่อสอนแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีปวดมากใช่ไหมคะพอชั่วโมงหนึ่งปวดมากหนูก็เริ่มพิจาณาแล้วคราวนี้สลับกับดูลมไปด้วยก็คือพินาแยกเป็นเอเ อ, เ, อเป็นกายเวทนาจิตคราวนี้จิตมันก็เริ่มแยกได้ว่านี่คือเวทนาไม่ใช่ของเราแล้วค่ะมันก็จะไม่เจ็บปวดละคือไม่เจ็บปวดในใจแต่ว่าเจ็บปวดร่างกายในเวทนาปวดแต่กายก็ไม่ได้สนใจเขาอะค่ะ ก็ต้องแสดงว่าเราก็ต้องพิจาณาดูลมพอพอปวดแล้วก็ค่อยพิจาณาแยกสามกองนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะไปมาไปมาก็อย่างใดก็ได้ถ้าดูลมต่อแล้วไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บก็ดูลมไปถ้ามีสติมีกําลังที่จะจอดดูลมโดยที่ความเจ็บไม่มาลบกวนใจก็ดูลมไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าดูลมไม่ไหวมันเริ่มไปพวักพวบนกับความเจ็บก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะแยกแยะ ความเจ็บออกจากใจแยกแ ย, ก, ยกความเจ็บออกจากทางร่างกายอันนั้เจค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มรู้ว่ามันมันแยกได้เนื่องจากว่าเราไม่ไปเป็นศัตรูกับเขาค่ะหมาะว่า<ม>เราก็เป็น<ห>เพื่อนก<น>ับเวทนาแต่ว่าคนละส่วนกัน อ, อยู่ด้วยกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันได้เราก็บอกเวทนาว่าเขาก็ทำหน้าที่เขานะใจเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ดูเฉยเฉยเราก็จะไม่เป็นคู่ต่อสู้กันมันก็ ไม่ไม่ปวดใจแล้วค่ะพกะไม่มีความอยากให้เขาหายไปก็ไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหาความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเราไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาเหมือนเวลาฝนตกเราจะไปสั่งให้ฝนหยุดก็ไม่ได้เราอยากจะออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับฝนไปก่อนรอให้ฝนหยุดก่อนอันใดเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็สั่งให้เขาหายไปไม่ได้ แต่เราจะไม่ทุกข์กับเขาได้ด้วยการที่ยอมรับเขายอมอยู่กับเขาไปอยาาไปอยากให้เขาหายพออยากแล้วมันก็จะเกิดความทรมานใจที่ทนไม่ไหว่ด้วยการแยกด้วยการเห็นความจริงของเวทนาเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของใจใจก็คือผู้รู้ก็รู้ไปร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟก็ปล่อยให้เป็นดินน้ำลมไฟ ดื่น้ำลงไปก็ไม่เดือดร้อนกับเวทนาก็ปล่อยเขานั่งไปเวทนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเหมือนฝนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นฝนถึงเวลาเขาตกเขาก็ตกไปใจผู้รับรู้ก็รับรู้ไปเฉยๆถ้าอยาไปถ้าไม่มีอคติกับเขาแล้วก็จะไม่ถูกถ้ามีอุเบกขาก็จะวางเฉยได้เนี่ยการมีสมาธิก็จะทาให้เรา สามารถเจริญปัญญาได้แยกกายเวทนาจากใจได้ถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยพอเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ความอยากก็ขึ้นมาทันทีอยากให้มันหายทันทีพออยากหายไปมันก็ยิ่งทรมานใจใหญ่ก็เลยต้องนุกขึ้นเปลี่ยนอิรยาบถไปทำถูกแล้วพยายามทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วจะชำนาญต <Okay. S 1> ่อไปจะอยู่กับมันได้อย่างสบาย okay. ขอค่ะอ่ามีใครอีกไหมใกล้เวลาหมดแล้วถ้าไม่มีก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธอด